พรุ่งนี้เปิดอีกวันนะวันอาทิตย์ก็ไปศาลาลุงชินวันอาทิตย์หน้าไปอะไรบ้านจิตสบายเราแสวเขาเรยเจิตสบายก็ได้สมาธิความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิถ้าจิตตั้งมั่นจได้ปัญญาโครดันแต่ถ้ามองให้สุดขีดไปเลยนะ ถ้าสุดท้ายแล้วจิตสบายมองทางดีนะสุดทางจิตสบายมีแต่ความสุขนะความสุขทั้งวันทั้งคืนในใจเราจะเหลือเวทนาสองอย่างโสมนัตมีความสุขกับอุเบกขามี2 อ, อย่างแนละ้วความทุกข์จะไม่เข้ามาแผ่วผ่านแต่ขนาดมีความสุขนะกนะ็มีไปเองนั่นแหละมันไม่ยอมจิต มันไม่มีอะไรย้อมจิตจิตเป็นอิสระอยู่ที่เราฝึกนะฝึกเงอนมันสลัดจิตทิ้งไปเลยมอ่ะต่อไปส่งกันบ้านเชิญแล้วมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่อวานหลวงพ่อดังดังดังม่อวหลวงพ่อบอกว่าติดติดนิ่งเออดีแล้วล่ะวันนี้ยแล้วก็ให้ไปดูกายก็ดู ดูกายแล้วก็รู้สึกว่ารู้ได้บ่อยคืออืมนะดีอย่าทิ้งน ะ, ะอย่าไปเดินจิตอย่างที่เคยทำทำผิดนอนาะอย่าน้อมเข้าไปนิ่งอยู่เฉยเฉยช้างจะเหยียบจิตก็เฉยถูกเหยียบปุบไปพรมมาโลกเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ไปนิพพานหรอกปีปเีเรียนว่างเรียนว่างมาไม่เอาออเลิกเลยครูเจ้าไม่ได้สอนในวงกรรมาฐานครูบาอาจารย์ท่านรู้กันนะว่า นั่นผิดเป็นวิธีที่ผิดนี่ท่านไม่ได้รับรองไว้แต่ไหนแต่ไรมันนิพพานเนืแต่เป็นนิพพานผนลมไม่ใช่ น, นิพพานของพระพุทธเจ้าไปดูผมต่อนะดูไปร่างกายเนี่ยดูแยกธาตุผมขนเล็บฟันหนังแยกไปเรื่อยแยกม่เป็นจุปป๊บลสัมผัสไปผมไม่ใช่เราคิดไปเรื่อยนะขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกดูไปเรื่อย ไม่ใช่เราไม่ใช่เราต้องช่วยใช้ความคิดช่วยช่วยมันช่ว ย, วยมันคิดพิจารณาทําทไมต้องคิดพิจารณาเนี่ยบางคนหลงเพราะไม่ให้คิดนะแต่ขอคุณต้องคิดเพราะติดสมถะมันไปติดนิ่งติดว่างตัวที่จะแก่นิ่งแก่ว่างได้คือพิจารณากายเนี่ยจิตถึงจะเดินปัญญาได้งั้นอย่างสายวัดป่าพุโทโธหรือหายใจนะสุดท้ายมาต่อด้วยพิจารณากายมาแก้นิ่งเนี่ยแก่นิ่งแ ก, แก้ว่าง ถ้ามีหลักสูตรเ่านะดูธาตุดูขันแยกไปเ้วยมันระเบิดไปเลยแตกไปเลยเหลือแต่ใจอันเดียวถ้าฝึกไปดีขึ้นเยอะแล้วดีที่ไม่ดือ้อพวกติดอย่างนั้นน่ะดื้อติดประคองจิตว่างๆอ่ะต่อไปอ พอเลิกพยายามแล้วเดินเยอะๆก็รู้สึกดีขึ้นค่ะหลวงพ่อแต่ว่าบางทีก็ไม่รู้สึกไม่ไม่ไม่ทราบว่ารู้สึกอะไรครับเพียงแต่ว่าบางทีมันก็หนักบางทีมันก็เบาบางทีมันก็เหมือนมีอะไรขยับไปขยับมาแต่ไม่รู้ว่าอะไรไม่ต้องรู้ว่าเผื่ออะไรรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรนั่นแหละดีถ้ารู้อะไรก็รู้สมมติรู้บัญญัติดูของจริงไปมีแต่ของไม่เที่ยงไม่รู้ว่ามันรู้จริงหรือเปล่าอะค่ะหลวงพ่อสงสัยรู้ว่าสงสัย นะลงปัจจุบันเลยไม่เอาอะไรอย่างอื่นแล้วเห็นความเกิดดับอยู่ในปัจจุบันเช่ความสงสัยเกิดขึ้นก็รู้พอ ร, รู้ก็ดับมันดับมันเอง <c oughs> เราภาวนามไม่ได้เอาอะไรสักอย่างเลยนะ <c oughs> เอาให้เห็นความเกิดดับในกายในใจในรูปในนามนี้เท่านั้นแหละหลงยังอ แต่ว่ามันมันไม่เห็นว่ามันดับเพียงแต่ว่ารู้สึกถึงน้ำหนักว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนได้ได้ดูไปไเดี๋ยวเบาเดี๋ยวหนักดูแค่นั้นก็พอแต่ดูด้วยใจเป็นกลางนะอย่าถลำลงไปเพง่งใจต้องตั้งมัน่นถลำลงไปดูไหมย อ, อย่าให้ถลำลงไปดูดูสบายๆอย่าประคองถลำลงไปดูเนี่ยสุดโตไปข้างตามกิเลสประคองเอาไว้สุดโตงข้างบังคับตัวเอง เป็นความสุดโต่งสองด้านทาใจสบายสบายอย่างตะเกียแต่ไม่ถลำถลำแล้วรู้ไม่ห้ามนะถลำก็ได้แต่ถลำแล้วรู้ไวใจมันจะถอนขึ้นมาไม่ได้ห้ามถลำหรอกถ้าห้ามถลำเดี๋ยวไปติดประคองอีกมันสุดโต่งอยู่สองข้างนะห้ามมันไม่ได้ถลำแล้วรู้แค่นั้นพอละ นามัสการหลวงพ่อค่ะของโยมนี่เนี่ยที่บอกว่าดูความหลงคิดนะคะแอ้วนี้เนี่ยก็คือไม่ต้องคิดอะไรมากเลยใช่ไหมคะดูหลงอย่างเดียวสําหรับคนเรื่องต้นใช่ไหมคะแต่มันหลงแล้วรู้แจเป็นหลงแล้วรู้ฝึกอย่างนั้นแหละค่ะขอบพระคุณมากค่ะก็เริ่มรู้สึกว่ามันแอบประคองเล็กๆนะครับดีที่รู้แล้วก็แต่เดิมมันประคองตลอดแต่ไม่เห็นครับ ตอนนี้เริ่มเห็นไล่ไหนก็หลุดแล้วแล้วก็อาการหลงที่เคยหลงแรงๆก็หลงเบาขึ้นนะแล้วก็บางทีที่หลวงพ่อให้ไปดูอะอะไรเนะี่ยอากับกริยาไม่ใช่ไปที่ที่ให้ตามตัวดู อ, อากับกริยาครับก็ดูแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะดีกว่าเดิมดีสิถ้าไม่ดื้อก็ดีแน่นอนนะไปทําต่อนะบางทีถามนิดนึงครับ บางทีมันมันอาจจะรู้ว่าหลงก็ได้หรือว่าบางทีมันรู้มันมารู้กายก็ได้ใช่หมครไดนะ้เอากายเป็นฐานไว้นะดูกายไปแล้วมันจะเห็นจิตเองแหละดูกายเห็นจิตดูจิตเห็นกายดูออกไหมพอทำอย่างนี้ใจมันเคลื่อนออกมามันไม่ไปติดว่างนะอย่าให้มันแช่ได้แช่ติดอยู่ในภพมันหนึ่งนิ่งๆใช้ไม่ได้หรอก เนี่ถ้าฟังคําสอนหลวงปู่ดูลไม่ดีแล้เป็นหลงนี่แหละประคองจิตให้นิ่งให้ว่างสงบอยู่ภายในนิรันดรไม่เป็นพรมเท่านั้นเองต้องปล่อยวางไม่ใช่ไปประคองไว้ภายในพาวาเป็นถึงขีดสุดนั้นไม่มีในไม่มีนอกนะเป็นอันเดียวยังมีจิตข้างในจิตข้างนอกก็เป็นจิตสองอันเป็นทำคู่ไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่จิตหนึ่งจิตหนึ่งไม่มีนอกไม่มีในไม่มีไปไม่มีมานะ อย่างนี้ประคองพอหลุดออกไปก็ไปล้วแต่ประคองไว้ก็มามีไปมีมามีข้างในมีข้างนอกใช้ไม่ได้ของปลอมอ่ะต่อไปอยากไดมาสการหลวงพ่อผมส่งการบ้านครั้งล่าสุดเตุลาเดปีที่แล้วครับหลวงพ่อชี้ให้เห็นจิตเพราะว่าจิตที่ไม่มีกิเลสครอบงาำครับหลวงพ่อบอกให้ไปภาวนาสบายสบาย แต่ว่าผมมันไม่สบายอะครับมันมีเอฟเฟคจากภายนอกเข้ามาจนปวดหัวเลยครับก็บได้ครูบายจาอีกท่านหนึ่งช่วยแก้ให้โดยเปลี่ยนบทบริรามหา่ให้อ่ะครับไม่ทัดจนทำถูกพอดีแล้วละ่ะถูกทางอยู่ใช่ครับขอใช้การบ้านได้ครับทำไปอีกทาไปอีกยังไม่พอนะทำถูกแล้วละ่ะจิตมันหลุดออก่างโลกของความคิด เห็นธาตเห็นขันมันทำงานไปนะดีจิตตั้งมั่นจิตถึงฐานอดีขอบพระคุณครับมัส ก, การค่ะหลวงพ่อหนูทรงกันบ้านในรอบหเดือนนะคะก็คือหกเดือนที่ผ่านมาการภาวนาก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะอะคะ่ะก็ศีลก็ดีขึ้นมสมาธิก็ดีขึ้นแล้วก็เห็นกิเลสเยอะอะคะ่ะโดยเฉพาะโทสะเยอะอ ม, มากๆค่ะแล้ว ภายในหเดือนเนี่ยมันก็ดีบ้างเสื่อมบ้างอืแล้วความยินดีร้ายกับดีเสื่อมมันก็ลดลงเรื่อยๆอะค่ะแต่มันก็ยังเป็นแต่ว่ามันมันก็ลดลงเห็นมากมากเข้าแต่เป็นกลาง<ช>นะมันเห็นอะทุกอย่างชั่วคราวไปหมดถ้าใจมันยอมตรงนี้นะใจเป็นกลางไม่ดิน้นเป็นกลางด้วยปัญญ า, าเห็นความจริงว่าทุกอย่างมาได้ก็ไปได้ เมื่อเป็นกลางด้วยปัญญาจิตไม่ปรุงต่อจิตไม่ปรุงจิตหยุดความปรุงจิตก็เห็นนิพพานตรงเนี้ยต้องเห็นนิพพานได้โดยจิตมันหยุดปรุงของมันเพราะปัญญามันเห็นความจริงแล้วทุกอย่างชั่วคราวนะมันก็เลิกปรุงแต่ถ้าเราไปปรุงความไม่ปรุงไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอันนั้นเป็นความปรุงไม่เห็นนิพพานแน่นอนอะย่าหลุดไปเอารูปประพมไม่ใช่เส้นทางจําไว้นะ ค, คือตอนเนี้ค่ะหนูทํารูปแบบคือขยับมือแล้วก็เดินดีทําไปแต่ว่าไม่ได้นั่งสมาธิเพราะว่านั่งแล้วมันเคลิมตลอดอะค่ะคนทํางานนะวันวันเหนือ่อยเครียดไปนั่งสมาธิแป๊บเดียวก็หลับแนละถ้าไม่หลับก็ฟุง้งกลายเป็นหลับแล้วฝันไปด้วยฟุนะ้งๆไม่ดีกระดกกระดิ ก, ดกไปหลวงพ่อไม่ถนัดเดินหลวงพ่อถนัดนั่งบางช่วง นั่งแล้วจะหลับนะเหนื่อยมากๆากอะนั่งพัดเนีย่ยเดวนี้อยู่ตรงไหนต้องมีพัดใช่ไ ม, มีทุกที่อะยังพัดรู้สึกไปรู้สึกไปนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะเห็นจิตใจเคลื่อนไหวดูไปเรืยหลวงพ่อคะแล้วดูจิตตั้งมั่นเนี่ยมันดู ย, ย, ยังไงด<า><า>ูจิตตั้งมั่นเนี่ยมันดูย่งไรอยากรู้จักจิตตั้งมั่นต้องรู้จักจิตที่ไหลไป <ภา S 1> รู้จักจิตที่ไหลไปไหมนั่นแหละตรงที่ไหลไม่ตั้งตรงที่ตั้งไม่ไหล กลับใ <Okay>, น, นมาตรการหลวงพ่อคะ่ะหนูส่งการบ้านในรอบหกเดือนคะ่ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าติดอยู่กับตัวกุกุจคะค่ะดังๆหน่อยยกมาอย่างนี้ครั้งที่แล้วเมื่อ6กเดือนที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าโยมติดอยู่กับกุกุจคะค่ะแล้วก็โยมก็ไม่ไม่รู้จะทํำยังไงกับตัวนั้นแต่ว่าเออก็ดูปัจจุบันไปแล้วตอนนี้เนี่ยโยมก็ตอนนี้ตื่นเต็น เออแล้วก็ เ, ออเดี๋ยวนะคะออออตอนนี้โยมปฏิบัติโดยการใช้กายเป็นเครื่องอยู่ออค่ะออแล้วก็รู้สึกว่าออปฏิบัติได้ดีขึ้นออแล้วก็กใช้ใช้กายแล้วก็ใช้อริยาบทสีดีทำถูกแล้วนะไปทำต่อทำถูกเป๊ะๆ เ, เลยตอนนี้จุดที่ไม่ดีมีนิดเดียวแต่เป็นชั่วขณะนะตอนนี้จิตถึงฐานไหม หรือจิตออกนอกออกนอกค่ะออใช้ได้สอบผ่านผ่านได้อย่างสวยงามจิตออกนอกค่ะกลับนมัสการครับหลวงพ่อครับคราวที่แล้วมาส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกให้กลับไปสู้ตายนะครับออกลับไปแตม่มันไม่ค่อยสู้ตายนะครับ <c oughs> กลับไปมีภาวนาแล้วมีสภาวะบางอย่างม า, มาส่งนยครับ มีมีอยู่วันหนึ่งนอนนอนเล่นอยู่นะครับหลวงพ่อแล้วมันจิตมันดีดขึ้นมานะครับแล้วก็มันมันรับอารมณ์อย่างอิสระทีนี้มันมันมีมันเห็นว่ามันมีอีกอันหนึ่งเข้าไปตะคุบตะครุบจิตเอาไว้นะครับอแล้วมันรู้สึกว่าไอ้จิตมันเป็นอิสระแต่ว่าไปตะคุบมันไว้เออก็เป็นมันนั่นแหละใช่ นี่แหละจิตมันยึดถือจิตนะ <S S S ครับอต้องภาวนาอีกอแล้วมีอีกอีกครั้งหนึ่งพอดีไปไปภาวนาที่วัดป่านะครับมันมันเห็นว่ามันมีสัญญานะครับแทรกอยู่ในจิตอืมมันมันมันเพี้ยนนะครับมันรู้สึกว่าไอเ น, นี้ยแหละมันตัวตัวปวันนะฮะตัวหลอกเลยครับน ะ, บนะยังเห็นเห็นรูป มันก็ว่าสวยแล้วมันก็อยากดูติครับดีเห็นว่าบางทีมันก็หลอกว่าเป็นเป็นตัวเราเข้าไปยึดไว้เป็นเรามันก็สัญญาเหมือนกันนะครับใช่อันนั้นเรื่องอัตตะสัญญาเพราว่ามันมีตัวมีตนไปทำอีกไหทำภาวนาใช้ได้แล้วดีครับกลับขอพระคุณหลวงพ่อครับผมจิตถึงฐานไหมอตอนนี้ อยู่นอกฐานนิดเดียวครับถูกใช้ได้ครับผมเห็นไหมหลวงพ่อนะพอนาพอมาถึงจุดนี้นะจําจี้จํฉาฉเรื่องจิตถึงฐานนะแล้วจิตไม่ถึงฐานเนี่ยสมาธิไม่พอที่จะเดินปัญญาจิตจะออกนอกเราะฉั้นจิตต้องตั้งมั่นแต่ไม่ได้ตั้งเพราะบังคับไว้แล้วตั้งไว้เพราะบังคับไว้ก็ใช้ไม่ได้อีกห น, ะ <Okay. S 2> นีไปไม่รู้ทันก็ใช้ไม่ได้ตั้งอยู่เพราะบังคับไว้ก็ใช้ไม่ได้เป็นความสุดต่งสองด้านนะ ทางสายกลางก็คือมันทรงตัวอยู่โดยที่ไม่ได้บังคับครั บ, ร, บรู้ตื่นเบิกบานครันะหลวงพ่อจี้เรื่องนี้มาสักปีหนึ่งแล้วครับทีนี้รู้สึกว่าช่วงหลังๆครึ่งปี6เดือนที่ผ่านมารู้สึกจะดีขึ้นดีครับผมตัวนี้แหละตัวสําคัญนะขาดตัวนี้มรกผลไม่มีครเนี่ยตัวนี้แต่สมัยก่อนไปเรียนจากครูบาอาจารย์ท่านจะย้ามากเลยเรื่องจิตผู้รู้ หลังๆเขาลืมกันเอาแต่เรื่องนี้มิดนิดมัดเลยนะไร้าสาระเห็นมันออกนอกใจต้องตั้งมั่นตั้งมั่นแล้วแยกธาตุแยกขันไปด้วยนะครับทำทำอย่างที่ทํานี่สามารถแยกธาตุแยกขันแยกอยู่แล้วครับถ้าจิตถึงฐานแล้วมนันก็แยกแล้วนะแต่ปล่อยให้ขันมันทํางานแล้วตามดูอย่าไปบังคับบังคับเปล่าตอนเนี้ย เ, เมื่อกี้มันออกไปก็เลย จับมันเอาไว้นะครับอย่าไปจับมัน <c oughs> ให้มันออกแล้รู้ว่ออกอย่าไปจับมันครัไปจับมันทําไมของไม่เที่ยงครับอ่ะต่อไปนี่นาน้นาทนมัสการค่ะหลวงพ่ อ, อ, อวันนี้มีคําถามมาถามหลวงพ่อสองคำถามค่ะหนูยกมายอย่างนี้ค่ะมีคําถามมาถามหลวงพ่อสองคำถามค่ะวันนี้คือที่ผ่านมา เห็นโทสะเยอะมากเห็นอะไรนะโทสะค่ะตอนนี้ไก่มันร้องเลยอเห็นโทสะทั้งเยอะทั้งแรงทั้งวันอถ้ากลางคืนตื่นคงมีอะคะ่ะหลวงพ่อคือแบบคือไม่เคยเห็นโทสะเยอะขนาดนี้โอสติเราไวสิแต่ก่อนเราไม่มีสติเราดูไม่เป็นเห็นตะหลงอะคะ่ะแต่ว่าตอนคือที่ห่านมาคือแบบโทสะแรงแล้วคือแบบทําไมทําไมเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนแบบ จนกระทั่งแบบเกือบคือมันเกือบยังไม่ได้อะค่ะหลวงพ่อคือมันมันแรงมากเอให้รู้ทันนะแต่ว่าต้องถือศีลโทรศัพทแรงก็ไม่ร้ารานใครค่ะทีนี้เนี่ยคือก็พยายามทําความสงบมันไม่อยู่อะค่ะหลวงพ่อมันมันแบบมันเอาไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนแบบเกือบจะบ้าค่ะหลวงพ่อไม่ไม่บ้าหรอกคือแบบเหมือนอีกนิดเดียวคือคือจะไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือมันแรงแบบเยอะมากแล้วเกินแล้วทีนี้ เออหนูก็เลยแบบมาฝืนธรรมชาติคือแบบไม่ไหวแล้วคือมาเดินจงกรมชา้าช้าคือแบบยังไงก็จะต้องสงบให้ได้ออไม่ไหวออแล้วอก็เลยจะถามหลวงพ่อว่าคําถามแรกเนี่ยคือถ้ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยหนูเดินจงกรมแบบผิดธรรมชาติแบบช้าช้าเนี่ยคือคือใช้ได้ไหมครับก็เอาตัวรอดไปก่อนน ะ, ะเราก็รู้ว่านี้เป็นอุบายเอาตัวรอดไปชั่วครั้งชั่วคราวาดีกว่าอารวาสสติแตก ค่ะก็เลยเดินจงกรมช้าๆไปประมาณอาทิตย์หนึ่งคือพยายามทําความสงบแล้วมันก็ดีขึ้นค่ะหลวงพ่อแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือก็ระหว่างที่เดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิอยู่อยู่สักพักนึงเนี่ยค่ะก็รู้สึกแบบเออพอแล้วคือเบื่อแล้วก็เลยนั่งอ่านหนังสืออ่านหนังสือแล้วก็มันมีอยู่สามคำในหนังสือเนี่ยบอกว่าเกี่ยวกับโลกธรรมแปดอะค่ะหลวงพ่อคือ คนด่าเรา hmm. คนนินทาเรา hmm. แล้วก็มีคนแย่งของเราไป hmm. อย่างเงี้ยค่ะคือหนูรู้สึกว่ามันมันไม่เกี่ยวกับกับสิ่งที่หนูโกรธคือแล้วหนูก็คือจิตมันก็ไปแวบสิ่งที่เออไปหาคนที่หนูโกรธอะคะ่ะห hmm. ลวงพ่อ hmm. คือหนูว่าบริบทสามสามคำเนี้ยมันไม่เข้าพวกอื hmm. แล้วหนูก็ แล้วหนูโกรธเขาทําไมอคือแล้วมันก็แวบไปว่าแบบอ๋อหนูโกรธเขาเพราะว่าเขารักตัวเองอะค่ะหลวงพ่อแล้วหนูก็อา้าวแล้วหนูจะโกรธเขาทําไมในเมื่อเราก็รักตัวเองเหมือนกันอืแต่มันแค่คนละแง่คนละมุมเท่านั้นเองโอถ้าเข้าใจอย่างนั้นนะก็าหายอะไรค่ะแล้วแล้วมันก็แบบโล่งเบาคือแบบเรา เราไปโกรธเขาทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคนโบราณสอนนะบอกเอาใจเขามาใส่ใจเราคือเราเข้าใจเขาเรามองเขาในมุมของเขานะไม่ใช่มุมของเราไม่ได้ตัดสินเขาในมุมของเราแต่ตัดสินเขาจากมุมมองของเขานะมัเข้าใจขึ้นมานะมันหายโกรธ น, นะค่ะดังนั้นเรายึดความคิดความเห็นของเราไว้ใช่ค่ะแล้วหนูก็บอกว่าเนี่ยเรายึดนั้นเนี่ยคือแบบทําไมเราเห็นว่าเขาลึกคือเหมือนแบบเราเอาเขาไปใส่ใน ตูกระจกใสอะคะ่ะหลวงพ่อแล้วเราก็เห็นความไม่ดีของเขาตลอดเวลาแต่ทำไมใจเราเองเราไม่เห็นหรอว่ามันยึด อ, อ, อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบไม่เห็นหรอว่าตัวเองก็น่าเกลีกยดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็เออคำถามที่สองก็คือเออหนูอยากทราบ ว, ว่าหนูต้องมีอะไรเพิ่ ม, ตมเติมหรือแก้ไขตรงไหนม<ห>้างไม่คะที่ทให้สม่าเสมอไปนะเราทำได้แล้วรู้เท่าทันตัวเองดีค่ะในทำอีก นาัสการค่ะหลวงพ่ออ ม, มาขอเมตตาหลวงพ่อถามว่าช่วงนี้ที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยค่ะรู้สึกว่าในชีวิตประจำวันทําไมจิตของโยมมันเฉยเฉยอะคะ่ะยิ้มยิ้มไม่ค่อยนะมีคิด ม, มันประคองไว้หน่อยอเพียงแต่ว่าประคองไม่แรงเแต่ประคองเก่งประคอง น, นั้นแต่ไม่ไม่แรงเท่าไหร่แล้วอย่างงี้ควรจะปฏิบัติในรูปแบบหรือยังไงบ้างะคะทําอะไรก็ได้ก็รู้ว่าประคองจิตอยู่ ประคองมันจะเป็นยังไงอะคะมันไปรักษาไว้คือมันจะหนักๆหน่อยๆใช่ใช่มันจะหนักๆเหมือนเราเห็นทางตาอย่างนี้ใช่ัหมคะแต่เราไปเห็นเขาเห็นแล้วะจิตมันถูกบล็อกให้นิ่งไว้จยทําเป็นแม่ชักจะไม่ค่อยเป็นแลยวเนื้อออกไหมเออมันไม่เหมือนหลวงพ่อตะกี้เนื้อออกไหมมัน เหมัอนมันไปดูให้ชัดหรือเปล่าคะใช่ถ้าอยากดูให้ชัดอยากรู้ให้ชัดก็เพ่งนั่นแหละรู้สบายๆตามองเห็นรูปแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันหูได้ยินเสียงความรู้สึกอะไรเกิดที่จิตรู้ทันเมื่อยตาเลยเห็นยมทำนะรู้สึกโอ้มันไม่เมื่อยว่ะแสดงว่าของยมต้องไปดูตัวประคองใช่คะใช่ใช่ตัวอยากดีอะไปดูเถอะ เขามันอยากดีมันไปประคองไว้นะี <inks> <montre in> ้พ <raktion> anyway. <The Bradley> ูดเบาๆนะคนเนี้ยนายเคพูดทีห <efendim> นึ่งนะายสะดุ้งก็จะมีเรื่องปฏิบัติรายงานอยู่สองด้านนะครับคือด้านทำความสงบก็ฝึกอนาปาแล้วพยายามกระจายความรู้สึกไปทั่วร่างกายแต่โดยรวมก็คือจิตมันยังไม่สงบถึงฐานครับ แล้วในด้านชีวิตประจำวันก็สงบไม่เป็นไรก็ทําอีกนะทําไปเรื่อยสงบก็บทาไม่สงบก็บทําก็ช่วงนี้มันถูกกิเลสเอาไปกินซะเยอะไม่ค่อยรู้ตัวครับจนบางทีทําตามกิเลสทาให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงหลวงพ่อต้องขายหน้าที่มีลูกศิษย์อย่างผมนะครับหลวงพ่อไม่ขายหน้าเพราะเราไม่รู้มันก็รู้สึกช่วงนี้มันมปัญหาหนึ่งคือวิจิกิจฉาครับบางทีมันจะสงสัยว่าแนวทางปฏิบัติเป็นยังไงแล้วก็อันที่สองก็คือ มันก็มีด็กมันมีความดิ้นลนครับแล้วก็ช่วงนี้โทรศัพท์มันเกิดบ่อยแลแรงมากเรารู้สึกว่าเวลาเกิดมันจะไปกิมจิตจะไม่แยกออกมานะครับให้รู้เอาสิถ้ามันแรงมากก็เจริญเมตตาบ้างครับแล้วทาสมถะเจริญเมตตาไปเอาเมตตาพรมมิหารเป็เครื่องอยู่ก็ได้ใจเราขี้มโมโหแต่ระวังมันพลิกเป็นราคะนะครับราคะก็แรงไม่ใช่แรงแต่โทศัพ์ ก็เลยผมเลยเชื่อว่ามันถดถอยลงนะครับอืมไม่เลิกทํานะครมีหน้าที่เรียนรู้มันไปส่วนวิจิตรฉานั้นเป็นธรรมชาติจบใดไม่ใช่พระโสดาบันวิจิตรฉามีอยู่ตลอดแหละเราเรื่องรู้ตัวจะทําเขาในชีวิตประจำวันช่วงนี้มันเหมือนเป็นแค่บางสภาวะที่มันจะมันจะระลึกรู้นะครับแต่มันรู้แบบว่าเป็นสภาวะนั้นๆแต่มันไม่เกิดปัญญานะครับอืม อย่างเช่นเวลาเล่นกับนกแล้วมันเพลินเสร็จแล้วเดินออกจากกรงปุ๊บเสร็จมันกลายเป็นความเงียบในจิตใจครับแล้วมันมันรู้ตรงนั้นที่มันรู้นะครับแต่ความที่ความโกโรธมันก็คือมันกินจิตใจเข้าไปแล้วนะครับให้รู้เอานะห้ามมันไม่ได้หรอกครับใช้ปัญญาช่วยมันพิจารณาบ้างก็ได้นะรู้แต่เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ต้งไงก็สรุปคือผมถดถอยลงไปหรือเปล่าครับอี่ไปคิดเรื่องเจริญหรือเสื่อมครับ การปฏิบัตินะต้องต้องเสื่อมเสมอแหละเจริญได้ก็เสื่อมได้แม้เราไม่ได้พาวนาเอาเจริญไม่ได้พาวนาเสงบไม่ได้พาวนาเอาดีนะเราพาวนาให้เห็นนะยไม่มีอะไรที่บังคับได้เลยที่เคเล่ามามีอะไรบังคับได้ไหมไม่มีเลยครับมันเออแล้วทําไมไม่มองมุมนี้ล่ะครับนะก็บางทีพยายามจะพลิกมุมเหมือนกันมันก็เคยแต่มันยังเป็นตัวสังขารเป็นความคิดอยู่ครับะ ก็คือสรุปคือให้ช่วงนี้ผมทําทั้งความสงบบรรูปแบบแล้วก็พยายามดูเท่าที่ดูได้ใช่ไหมครับในประจำวันอย่างจากทําความสงบก็เจริญเมตตาไปครับนะอยอดสงบง่ายพอจเจริญเมตตาไปนะทาใจให้สบายทําความรู้สึกให้เป็นมิตรกับคนอื่นกับสิ่งอื่นนะแล้วก็เป็นมิตรกับจิตตนเองด้วยอย่าไปโมโหใส่มันนะอย่าไปบีบไปเข้นไปบังคับมันนะเป็นมิตรกับทั้งกับธาตุขันธ์ภายในนี้กับธาตุขันธ์ภายนอก ใจก็กสบายขึ้นโปร่งขึ้นแล้วดูเขาทางานต่อไปครับแล้วเรื่องที่ดูในชีวิตประจำวันก็คือทําอย่างที่ทําก็เนื้ว่าโอเคแล้วอย่างครับ<ม>เรื่องที่ปฏิบัติในชีวิตประจําวันที่เจริญสติคือทําอย่างที่ทําในตอนนี้ที่ดูไปเท่าที่ดูได้ก็โอเคก็ให้ทําไปเรื่อยๆใช่ไหมครับทําได้เลยนะครับแต่ทําไม่มากอ่ะทําน้อยไปครับรู้สึ ก, กบ่อยๆนะครับโอเคต้องทํำใจให้สบายหน่อยนะ ใจมันเจือโทสะหยุดเรื่อยๆกระทั่งกับการปฏิบัติของตนเองมันก็เจือโทส ะ, ะมัต้องสงสารมันเหมือนกันสงสารจิตของเราเองนั่นแหละจิตของเราก็ต้องรับกิเลสรับภาระในวันวันหนึง่งเยอะ ย, ยังถูกระโมโหอหีกน่าสงสาระดูอย่างนี้เลยนะดูจนรู้สึกเหมือนดูคนอื่นแล้วสงสารมันเพราะนะใจมันจะโปร่งขึ้นแล้วคราวนี้ดูธา ด, ดูขันย์จะดูง่ายอันนี้มันเจือโทสะอาชเชิญ ครับนรัสการครับอาจารย์ก็ขอส่งกันบ้านครับที่ผ่านมาหลังจากที่พอาจารย์ได้ชี้แล้วก็ไปดูตัวที่ว่าปัญญามันล้ํานะครับแล้วก็มันสรุปก็ไปเห็นตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นครับเห็นโอ้เห็นนะ ย, <า S 2> ย<า>้อนนี้ก็เล ย, ม, เลยมันก็เลยรู้สึกว่าเห็นโทษของมันนะตอนนี้แต่ก่อนนี้เราไม่เคยเห็นตรงนี้ว่าเราสรุปพอเราไปเห็นมันเลยรู้สึกว่าเห็นโทษของมัน ตอนนี้ก็เลยเหมือนกับมืนคนสิ้นหวังไปจ้ะดีแล้วต้องภาวนาหมดความปรารถนาหมดความทั้งสิ้นมันหมือนคนอยู่ในสุญญากาศมันมันมันอยู่ในสุญญากาศนะอาจารย์ไม่เป็นไรนะแต่ว่ามีสติไว้ก็แล้วกันครับนะจริงๆมันก็สุญญากาศนั่นแหละไม่ได้ภาวนาเอาอะไรหรอกครัภาวนาจนใจมันเห็นความจริงเท่านั้นครนะมันก็ยอมรับความจริงแล้วก็ไม่นี่อย่างถ้าใจเรามันมีความอยากเชือนะมันล้าไปเลยคก็เห็นเห็นโทษตรงนั้นล้วตรงนี้ดิ อย่าไปว่าเขานะครับไม่ว่าครับก็เลยเหมือนก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยเฉยๆ่ะภาวนาไปสิดูไปตรงนี้ไปก็ดูดูดูความจริงไปก็ดูเขาทํางานไปเรื่อยนะดูไปอย่างสบายกับทําใจสบายดีภาวนาดีขึ้นตั้งเยอะแล้วครับก็รู้สึกไหมเรามันโปลุกขึ้นครับสบายขึ้นนะตอนนี้พระอาจารย์มันเหมือนเราอยู่ความสบายมันไม่ไม่ดิ้นรนอ่ะเด็กแล้วใช่แล้วไม่ใช่ของจริงมันหลอกเราก็มีบางครั้งที่มันไปเกาะเรื่องราวก็ก็เห็นว่ามันเป็นโทษทุกข์ก็ ก็เห็นตรงนี้ค่อนข้างชัดขึ้นดีพัฒนาขึ้นนะดีใจด้วยนมัสการข้าหลวงพ่อช่วงนี้การปฏิบัติแย่ลงอะค่ะอยากให้หลวงพ่อให้กันบ้านเสียใจไหมก็เสียใจบ้างะแต่เดิมก็เสียใจเก่งไหมก็มีค่ะนี่สัยเรามันเป็นอย่างนั้นนะเราก็ดูไปเรื่อยนะเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของเปลี่ยนแปลง นะแล้วดูไปในชีวิตเรามีแต่ของเปลี่ยนแปลงน ะ, ะไอ้ที่เราอยากให้มันถาวรมันไม่เคยถาวอรออกดูออกไหมตัวนี้ดูออกค่ะแล้วที่เราทุ ก, ก็เพราะเราอยากให้ของไม่ถาวรมันถาวรนะรู้ทันมันไปอย่าไปเสียอกเสียใจมั้ยค่ะแล้วออตอนนี้ค่ะสภาวะที่ที่เป็นอยู่ตรงที่ว่าเวลาที่เราเกิดสภาวะอะไรกันแล้วแต่ไม่จะเป็นโมโหคือถ้ามันเป็นความรุนแรงอะไรเงี้ยจิตมันจะย้อนกลับมาดูกายอย่างเดียว ไม่ว่าจะโกรธโลบหรืออะไรแล้วแต่ค่ะถ้าถ้ารู้สึกตัวมันจะกลับมาย้อนมาดูอันนี้อันนี้มันจะได้ตอนตอนก่อนที่มันจะย้อนมาดูกายเนี่ยมันเห็นจิต ท, ที่โกรธแล้วใช่ไหมไ ม, ไม่แน่ใจอะค่ะคืออย่างพอโกรธอยู่พอ ร, รู้ตัวว่าโกรธเนี้ยมันก็ย้อนมาดูกายใช่ค่ะจงใจย้อนไหมไม่คะ่ะเป็นอัตโนมัติใช่ได้อันนี้ไม่ได้เป็นสมถะไม่ไม่เป็นไม่เป็นอะไรแต่ถ้ารู้ว่าโกรธแล้วอยากให้หายจงใจย้อนมาอันเนี้ยเป็นสมถะ แต่ถ้าอย่างบางคนมันไปอยู่ที่ลมหายใจพอรู้ว่าลมอะไรก็ลิกันนะแวบเดียวมันกลับมาอยู่ที่ลมหายใจมันมาเองอย่างนี้ไม่เป็นไรมันจะมาเองแล้วก็เฉพาะเฉพาะสภาวะที่แรงๆมันจะย้อนเข้ามาดูร่างกายก็เลยคิดว่าเอ๊่นั่นแหละจิตเราเหมาะกับการรู้กายเอากายเป็นบ้านเป็นวิหารธรรมดูกายบ่อยๆดูกายเป็นส่วนๆไปเลยผมคนเล็บฟันหนังเนืกระดูกดูเป็นส่วนๆ นี่เคยเคยนั่งสมาธิแล้วดูแบบนี้ค่ะแล้วรู้ว่าจิตมันสงบลงแล้วจิตเป็นยอมแต่หนูว่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัวทํำอีกนะของเดิมเราเคยอย่างนั้นอ๋อค่ะแล้วก็คือว่าตอนนี้ถ้านั่งสมาธิก็ให้ดูพิจารณาไปพิจารณาไปเลยดูแบบกรถึงกระดูกอะไรอย่างนี้เลยได้ได้ดูเข้าไปเลยนะแต่ดูด้วยจิตสบายๆนะค่ะถ้ากลัวให้รู้ว่ากลัวไล่ไล่ลงมาใช่ไ้มคะใช่ใช่ไล่ไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ลงค่ะแล้วก็มีแต่ไล่ช้าๆนะอย่าไล่เร็วนะก <c ough> หลวงพ่อก็เคยไล่นะไล่ดู form, ผมนะผมก็หายไปเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะหายไปเห็นหัวก็หลงดูหัวก็หลกนะหัวก็ลหกลกก็ขาดหายไปเหลือตัวดูทั้งตัวเห็นแต่กระดูกดูกระดูกไปอีกเดี๋ยวแม่ไม่เลิกอ่ะดูกระดูกกระดูกระเบิดเปรี่ยงเลยนะ <c ough> เป็นเม <c ough> ็ดเม็ดเมเมดูลงไปอีกเป็นเม็ดเล็กๆแล้วยังดูลงไปอีกเหมือนก้อนตรวดละแตกสลายเข้าไปเป็นแสงสว่างข้ามกลับเข้ามาที่จิตนะ ไล่เข้าไล่ลงไปตอนนี้ช่วงนั่งสมาธิ่คะจะสงสัยที่ว่าเวลาเรานั่งดูพุโทโธแล้วลมหายใจไปด้วยะคะ่ะมันก็จะมีประมาณสักสิบนาทีมันจะเหมือนมันจะเข้าไปอยู่กับที่ ท, ที่ที่มันเคยอยู่เออแนะค่มันอยู่ไปแล้วมันก็มันก็ขึ้นมาแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นแต่ว่าไม่แ<ม>น่ใจว่าอันนี้เป็นการสมัคะไม่เป็นสมัครจิตเข้าพักนะ ให้เขาพักไปให้เต็มที่พอเขาขึ้นมาแล้วมาดูกายเป็นส่วนๆไปมันเหมือนเข้าไปอยู่ในที่อะไรที่หนึ่งอ่าเมือนพบภายในจิตรวมนั่นแหละอ๋อเหรอคะน้ำมศการครับหลวงพ่อช่วงนี้มีไปโรงพยาบาลไปเฝ้าคนป่วยครับมีไปโรงพยาบาลไปเฝ้าคนป่วยครับแล้ววันแรกๆเนี่ยผมก็พยายามจะ จเจริญเมตตาครับ mm. แห่เมตตาแต่เสร็จแล้วพอกลับมาที่บ้านมาเจอผัสสะแล้วเราโทรศัมันขึ้นมาแล้วก็หลุดไปทางปาก mm. ทีนี้เราก็มามองย้อนดูว่าเอ๊ะเวลาเราไปโรงพยาบาลเราก็เจริญเมตตา <c oughs> พอกลับมาที่บ้านยังมาโทรศัพท์ก็เลยไม่รู้ว่าเราผิดพลาด ท, ทางเทคนิคยังไงมันมันไปโรงพยาบาลมันเบื่อนะไม่ชอบหรอก <c oughs> เราแกล้งจเจริญเมตตาเพื่อมะไปข่มจิต ท, ที่มีโทรศั เราไม่ได้เมตตาจริงหรอกเราไม่รู้เราไม่มีทางเลี่ยงเราก็เลยต้องไปใช่ไหมไม่ใจลึกๆไม่ได้อยากไปพอเป็นขมไม่มากนะก็กลับบ้านก็หลุดสิเหมือนพวกคุณหญิงคุณนายเนี่ยมีคนหนึ่งเคยมาเล่าให้หลวงพ่อฟังไปสังคมสงเคราะห์ช่วยเด็กมีปัญหาวันๆนะั่งแก้ปัญหาเด็กเยอะแยะเลยออกนอกบ้าน กลับเข้าบ้านนั้นเครียดมากเลยนะเจอลูกก็ด่าลูกเจอสามีก็ด่าสามีนะลูกอะไรมีปัญหาฮากันหนีไปหมดเลยนะเพราะอะไรออกข้างนอกอนะ่ะต้องทําดูดนะีเล่นละครมาจนเหนื่อยแล้วพอกลับบ้านเลยถอดหน้ากากาออกนะเก็บกดมานานนะแล้วระบายเต็มที่เล ย, ยงั้นอยู่โรงพยาบาลนะดูจิต ด, ดูใจไปดูกายดูใจไป แทนที่จะต้องไปนั่งคิดถึงคนไข้มากก็ดูดูไปงั้นแหละตามหน้าที่เราก็ดูไกายของเราดูใจของเราไปภาวนาถือว่าเราย้ายที่ภาวนาไปทำที่โรงพยาบาลแล้วมาบ้านไม่ระเบิดอ่ะเนมันมันก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองอดนอนแต่ว่าเราก็ยังทําข้อวัดของเราทีนี้ทําข้อวัดอย่างนั้นดีครัะนะจะเป็นจะตายก็ต้องทําข้อวัดรักษาไว้ เราจะได้บารมีมันก่อนมันอ๋อไปอยู่โรงพยาบาลแล้วไม่ได้นอนเหรออ๋อก็ก็ก็เมื่อวันได้ยิบเล็กน้อยครับอ๋อนอนไม่พอมก็ขี้โมโหธรรมดาเด็กเป็นอย่างนั้นทุกคนแหละ <laughs> <c oughs> หิวก็โยเยนะง่วงก็โยเยนะเออไม่ได้ของเล่นก็โยเยธรรมดานอนไม่พอก็หงุดหงิดง่ายไม่แปลกหรอกแต่ดีที่รักษาข้อวัด วันก่อนมันเดินตอนกลางคืนมันเดินชนรถฮ<ะ>เดินชนรถที่จอดนะมันมันม hey, ไม่ไหวแล้วอย่างนั้น <c oughs> กลับมาบ้านนอนบ้าง <c oughs> ไปเฝ้าคนอื่นจนไม่อย่างนั้นไม่ไหวแล้วนะมากไปแต่ก็ถ้าถ้ามันต้องต้องทําข้อวัดมันก็ต้องทําใช่ไหมครับทํา <ำ S 2> ตังต้ง<น>แต่อยู่โรงพยาบาลเลยตอนที่นั่งเฝ้าเพราะนะสวดมนต์ไหว้พระทําสมาธิเราทํเพราะเราที่วัดเอที่โรงพยาบาลไปเลย แล้วถ้าเป็นการเดินก็คือถ้าเราเดินไปไหนมาไหนเราก็ถือว่าเราจงกลมอย่างนั้นใช่แล้วจงใจเดินอยู่นั่นแหละเดินไปเดินมาจงกลมมันในโรงพยาบาล น, นั่นแหละโกมันเหมือนจะขี้โกงที่เราตั้งใจไว้ว่าว่ามันเหมือนกับเดี๋ยวมันจะถือว่าไอ้นี่เราเดินไปกินอาหารเราก็อ้างเราต้องเอาจริงจังนะหมายถึงไม่ใช่เดินเหยาะเหยะใหญ่ใหตั้งใจปฏิบัติจริงๆ เราทําที่บ้านไม่ทันแล้วไม่มีเวลาขับรถเองหรือเปล่าละ่ะขับเองครับเออยิ่งน่ากลัวหนักกวีนถ้ามันยอ่อหย่อนอย่างอื่นอะไรอีกล่ะว่ามันไม่ยอ่อหย่อนมันไม่ไหวนะเพราะฉั้นทําที่โรงพยาบาล น, นั่นแหละกลับมาบ้านพักซะนะไม่งั้นก็สุดโต่งเกินไปถึงขนาดเดินชนรถแล้วไม่ไหวแล้วนะแล้วก็ไม่ควรขับรถแล้วตอนนั้นครันะนะขึ้นแท็กซี่เอานะมันไม่เหลาไปขายหรอก เดี๋ยวนี้ยังมีไหมไอ้คลอดลูกในแท็กซี <t <t ่อะไรยังมีไหมเขายังมีอีกเหรอมีอย่างคลอดในรถไฟฟ้าอะไรแต่เห็นรถนะดูที่เขาถ่ายรูปมารถไฟฟ้าไม่เคยขึ้นเนาะคนท้องแก่ขึ้นไปก็น่าจะคลอดเลยอ่ะดูมันแน่นอย่างกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ โยมไม่มีการบ้านจะส่งอะคะ่ะแต่จริงๆแล้วโยมปฏิบัติอยู่นะคะยังภาวนาอยู่แต่ยังไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะทีนี้ในช่วงที่ผ่านมานะะมันจะจิตมันจะลงไปคุกเกะกิเลสมากะคะ่ะแล้วก็รู้ตัวเองว่ามันภาวนาต่ออยากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าตอนเนี้อะไรที่โยมทําอยู่มันผิดอยากกราบขอกันบ้านเลยกราว่าตรงไหไม่ผิดนะตแต่มสมถะอ่อนไป แรงน้อยไปตอนนี้ยอมควรทําอะไรคะตอนนี้ในรูปแบบนี้แหละเพิ่มแรงขึ้นแล้วเลาความรู้สึกตัวให้เข้มขึ้นนิดหน่อยนิดเดียวนิดเดียวน ะ, ะอย่าเยอะมันอ่อนไปนิดนึงแรงมันตกมันเฉื่อยไปนิดนึงเหนื่อยเนื่อยนิดนึงแต่นิดเดียวเท่านั้นแหะแต่เห็นอาการเหนื่อยเหมือนกันเจ้า่ะนะใจมันเหนื่อยไปนิดนึง แม้กระทั่งบางทีกําลังมีโทสะกําลังโกรธอยู่นะคะมันก็โกรธแบบเนือยเหนื่อให้รู้ทันนะใจมันเนื่อยเนยตัวเนี้ยนี่กราบเรียนถามหลวงพ่อในหนึ่งว่าในขณะที่จิตมีกิเลสเนี่ยค่ะมันเป็นไปได้หรือเปล่าคะที่มันก็เป็นกุศลด้วยอะคะมันคนละขณะกันนะคนละขณะแต่มันต่อกันมันสลับกันเร็วเจ้าค่ะของคุณธิดาตอนนี้ก็คือใจมันเนื่อยไปจ้ะ ให้มันกระปรี้กระเป่าขึ้นนิดเดียวนิดเดียวนะมากไปเดี๋ยวรู้ขึ้นเต้นเลยมากไปเจค่ะเออตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วรู้สึกไหมมันถึงยังมีแรงน ะ, ะงัแรงไหมปอมีกไหมมีกไหมอ่ะก้าวขอบพระคุณจ้าค่ะเออผมลืมไปเลย <laughs> <laughs> ไม่เที่ยง เร่มผมต้องเงียบๆนะผมสั้นผมยาวผมจิกช่ว <laughs> งหลังนี้มันมันจะถามเพราะว่าผมเจอเวลาที่เราที่ผมเหลวไหลอ่ะที่อ่าทําตามกิเลสดูทอรอทัตบ้างอะไรบ้างเนี้ยแต่ว่าระหว่างนั้นอนะ่ะผมขยับมือไปด้วยแต่ผมเอามือเป็นหลักดูทอรอทัตเป็นรอง <laughs> อะไร <laughs> สมมติผมดูข่าวดู รายการจอทัศน์บันเทิงอะไรเนี่ยครับแต่ผมมีวินัยของผมว่าเธอทุกครั้งที่ทำอะไรเหลวไหลต้องขยับมือแล้วรู้ที่รู้ที่กายนะก็ <laughs> ดูข่าวดูอะไรไปด้วยอย่างเงี้ยไหวไหม <laughs> ผมก็ได้ถามเพราะว่าแรงมันตกไปไหมมันฟุ้งสิใจมันจะฟุ้งสั้นนะเพราะว่าอะไรใจอันหนึ่งก็อยากดูนะอันหนึ่งก็กลัวนะ ใจเมื่อฟุ้งซ่าน ม, มันพยายามแตกเป็นสองส่วนให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวข่าวไม่จำเป็นไม่ดูจำเป็นก็ดูดูยากนะหลวงพ่อวันก่อนที่เราฟังไปกินข้าวริมถนนเนี่ยเขมีโทรทัศน์นะเขากำลังมีข่าวมีตัววิ่งด้วยเราก็ดูตัววิ่งอัคนละข่าวกับที่มันอ่านนะเสร็จแล้วงงจะฟังข่าวไหนดีนะ <laughs> เลยสงสารคนยุคนี้นะมีสองตาสองหูไม่พอฟังข่าวเยอะเหลือเกินข้อมูลแล้วก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ที่รู้หลวงพ่อมีกันบ้านอะไรมีอะไรที่จะแนะนำครับใจฟุ้งร่านไปเพิ่มสมาธิขึ้นทำสมถะคนสุดท้ายถวายถวายรายงานการปฏิบัติคะ่ะแล้วก็ จะจะให้หลวงพ่อช่วยดูค่ะช่วงนี้มันรู้สึกว่ามันมันมันเบื่อค่ะมันมันเบื่อเบื่อมันมันสุขสุขมันก็เบื่อทุกมันก็ก็ก็เบื่อเบื่อเพื่อนชวนไปเที่ยวต่างประเทศก็ไม่ค่อยอยากไปห้างก็ไม่ค่อยอยากไปเดินแล้วก็บางทีมันเห็นไหวๆอยู่ในอกเวลาเห็นไหวๆมันจะทุกข์ขึ้นมาดูลงไปนะดูเบื่อไปเบื่อตัวนี้ยังเป็นโทสะยังไม่ใช่นิพพิทา มันเบื่อแล้วลำคาญมั น, นไม่ชอบมั น, นให้รู้ลงไปอีกรู้ลงไปอีกดีแล้วล่ะที่ทำได้ขนาดนี้แล้วบางทีมันก็เห็นตัวตัวตนเรามันมีบ้างไม่มีบ้างถูกแล้วไม่ได้มีตลอดเวลาหรอกไม่ปรุงก็ไม่มีปรุงก็มี<ช>ดูไปแต่เวลามีแล้วมันทุกข์ไงทุกข์น่ะใจยังไม่เป็นกลางรู้สึกไหม เพราะฉะนั้นเบื่อตัวนี้นะเป็นเบื่อด้วยโทสะยังมีโทสะอยู่เอถ้าเบื่อด้วยนิพพิทาจริงนะไม่ใช่เบื่ออันหนึ่งจะเอาอันหนึ่งนะอันนี้เบื่ออีกจิตฟุ้งซ่านจะเอาจิตสงบอะมันยังเอาอยู่เพราะฉะนั้นต้องดูอีกให้รู้ทันว่าโทสะมันแทรกนึกออกไหมนึกออกอ่ะเออนะมันจะไม่ใช่ถ้านิพพิทามันเบื่อหมดนะเบื่อสุขเบื่อทุกข์เบื่อดีเบื่อชั่วเท่าๆกัน อันนี้เราเบื่ออันหนึ่งเราจะไปเอาอีกกันให้มันเป็นโทสะไปทำอีกนะอย่าท้อแท้นะใครภาวนาก็จะ อ, อย่างเงี้ยแหละไม่ไม่ท้อแท้ค่ะภาวนาต้องผ่านจุดนี้ทุกคนเลยนะถึงวันหนึ่งก็ต้องผ่านจุดนี้ไปสุดท้ายมันก็จะเห็นเลยว่าใจเราไม่เป็นกลางรู้ทันนะใจก็เป็นกลางดูทุกอย่างไปอีกถึงจะเบื่อก็หนีไม่ได้ จะเบื่อยังไงก็ต้องหนีไม่ได้เพราะว่าเราเบื่ออะไรเราเบื่อธาตุเบื่อขันไปไหนก็เอาธาตาเอาขันไปอีกตายไปอยู่พรหมโลกก็เอาธาตุเอาขันไปอีกหนีไม่ได้หนีไม่ได้ต้องอยู่กับมันอยู่กับมันยังไงนอยู่กับมันอย่างเป็นกลางก็รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางในสุดเราก็อยู่กับทุกสภาวะนะไม่หนีอยู่อย่างเป็นกลางล้วก็จะโอ้มีแต่ทุกนะตอนนี้จะเห็นแต่ทุกล้วนๆเลย แล้วก็ไม่ได้คิดดิ้นรนไปหาความสุขที่อื่นด้วยเรียนรู้มันอยู่หลังชนกำแพงอยู่ตรงนี้แหละถึงจะดีไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมดูดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจนกว่ามันจะยอมของมันเองใช่ต้องรู้ทันมันว่าใจไม่เป็นกลางนะอาเชิญกลับบ้าน